ส่งกันบ้านเผลานะครับเผลอนานไม่ดีเผลอบ่อยดีนะเผลอนตั้งปฏิบัติยังไงมั่งละ่ะแต่ละวันก็ยุติธรรมทำสมาธิอะไรบ้างไหมเดินจงกลมอะไรเงี้ยเดินจงกรมได้ดเดินไหมเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเราหัดนะอย่างเราหัดเดินจงกมลมเราเดิน ก็จะรู้สึกตัวนี่พอเราใจลอยไปปุ๊บเรารู้ว่าใจลอยนี่ต่อมาจิตมันจําสภาวะของความใจลอยได้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่พอเราใจลอยปับ๊บแล้เกิดเราเคลื่อนไหวร่างกายขึ้นนิดสติจะเกิดเองนี่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆเราก็หาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งเครื่องอยู่ของจิตที่เรียกว่าวิหารธรรมหมายถึงว่า ถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรช่วงไหนเราก็คอยะระลึกถึงอันนั้นบ่อยๆแล้จิตเคลื่อนไปจากอารมณ์อันนั้นเราก็คอยรู้ทางอย่างบางคนรู้การยืนเดินนั่งนอนรู้ไปถ้าเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะใจเป็นคนรู้อย่างนี้ก็ถือว่าเราก็เริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ถ้ามันไม่เห็นกายเป็นคนเป็นตัวเดินใจเป็นคนรู้เราก็เอากายเป็นเครื่องอยู่รู้ปไป เวลามันขยับไปยืนเคลื่อนไหนะคอยรู้สึกไปพอเราเคลื่อนไหวแล้วเราค่อยรู้สึกเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึ ก, สกต่อมาใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นไปพอใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะรู้ทันว่าใจหนีไปแล้วงั้นเราหาเครื่องอยู่แหวนะเป็นตัวตั้งไหมพอใจเราหนีไปจากอันนี้เราก็รู้ทันใจเรามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นเครื่องอยู่ของเราเราก็รู้ทันรู้ทันใจนะไม่ใช่ไปเกาะตัวอารมณ์ให้คอยรู้ทันจิตรู้ทันใจตนเอง หลักอันนี้ใช้ได้กับกรรมฐานทุกชนิดเลยนะเช่นบางคนเนี่ยหัดพุดโทโธพุโทโธก็ได้นะพุโทโธพุโทโธก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งเหมือนกันพุโทโธแล้วก็จิตเราหนีไปมนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปพุโทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนะพุโทโธแล้วจิตมีความสุกรู้ว่มีความสุขนะหรือกำนัลลมหายใจหายใจไปเพื่อจะคอยรู้ใจตัวเอง หาใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจลงไปแช่ก็รู้ทันอีกหาใจแล้วเกิดปีติเกิดสุขอะไรก็รู้ทันไป เ, finale, เ ร, รื่อยๆในส่วนเราก็จะรู้ทันจิตรู้กายยิริยาบทสี่ก็รู้แปะยืนเดินนั่งนอนไปรู้สึกไปใจห น, นีไปที่อื่นเราก็รู้ทัน <ứng. S 1> จิตไหลลงไปเพ่งกายเช่นเราเดินอยู่แล้วลงไปเพ่งเท้ารู้ทันว่าจิตไหลลงไปเพ่งเท้า ให้คอยรู้ทันจิตกรรมฐ า, านอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะแต่เราทำเพื่อเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นเองคล้ายๆเหยื่อตกปลาจิตนี้คือปลาเราเหยื่อมาลอ่อปลาวิ่งมาที่เหยื่อว่ายมาที่เหยื่อเราก็เห็นปลาว่ายหนีไปจากเหยื่อเราก็เห็นเื่ยว่าหาอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ไว้พอเราชำนิชำนานขึ้นต่อไปจิตมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรนะั้นจะรู้ทันรู้ด้วยตัวเองทั้งวันอนะ ไม่ต้องเจตนาจะไม่เผลอยาวหรอกถ้าเผล่ยาวแสดงว่าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆกำลังเราไม่พอใจเผลอๆไ ป, ปลอปลอไปแล้วก็ลืมดูพอไหวไหมยงี้ม า, าใครใครใครมาไม่เคยแกอะไรไก่อนนะขอตรวจกันบ้านพวกเก่าๆก่อนอ่ะคุณกบ มันไม่ดียังไงนะคื อ, คอ ม, ม, มันไม่ได้มันไม่ได้สามารถมันไม่ได้รู้สึกตัวได้เสมอๆอืมที่เราก่อนนอนแล้วไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเงี้ยเดินจงกรมทานะับหัดนะหัดให้คุณเจริญโกงก็สอนใหนะ้การปฏิบัติตามรูปแบบจำเป็นเหมือนกันนะสำหรับเบื้องต้นถ้าเราไม่มีรูปแบบเลยเราก็ ภาวนาไปแล้วใจ ว, ว่าวงเวกมันเบึองว่างไปการปฏิบัติในรูปแบบต้องคล้ายๆกับราวสะพานเราไม่มีสะพานไม้เล็กๆเรายังเดินไม่คล่องต้องมีราวไว้เกาะเวลาเดินไม่ได้อาศัยรูปแบบแต่ถ้าเราชำนิชำนานสติเกิดเองแลเราไม่ต้องอาศัยอะไรมันจะเฉลิมพงเป็นไงมันจะเริ่มพง แลเสื่อมแล้วคนเจริมพงทาไงอเห็นมันเสื่อมไปเห็นมันเหมือนเห็นคนอื่นเสื่อมถ้าเราเห็นกายนี้เหมือนกายคนอื่นใจเราเป็นคนดูเห็นกายนี้เป็นแค่รูปธรรมที่เคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้อะไรเงี้ยเห็นจิตใจเป็นนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตมันเป็นคนรู้ในสุดกายจะเจริญหรือกายจะเสื่อมจิตเจริญหรือเสื่อมไม่เกี่ยวอะไรกับเรา เราจะรู้ด้วยความเป็นกลางลองขึก้กบไปทำอะไร เ, เออตับถูกให้ได้นะดีขึ้นเยอะและ้วนะคือการปฏิบัต<ม>ิในภาพรวมเนี่ยดีกว่าเก่าเยอะและ้วดูออกไหมใจเป็นโล่งใจมันเบาตื่นไม่เหนียนะ ค, คือใหม่ๆเราจะเห็นแต่ของหยาบความพอใจของจิตเป็นเป็นโลภะเป็นราคะราคะนี่เป็นของละเอียดดูยากถ้าโทสะดูง่ายอย่างเวลาเรากรุ้มใจนี่จะเห็นง่ายงั้นโทสะก็ดูง่ายราคะก็ยากขึ้มนมาหน่อยมหะยากมากอย่างใจมันฟุ้งๆนี่ดูยากเราฝึกไปด้วยทีแรกเราก็เห็นของหยาบก่อน นานๆเราก็เห็นละเอียดเข้าละเอียดเข้ า, ขาธรรมดานะเป็นอย่างนั้นทุกคนอ้วนว้างไงติดเกาะเอาไว้รู้สึกไหมปับของดูออกก็ดีแล้วนะเออ น, ะออนันแหละอ้วนดูเพื่อให้เห็นว่ามันทางานได้ด้วยตัวมันเองนะรู้สึกไหมมันทำงานเองจิตเนะี่ะ เราเป็นแค่คนดูนะดูอย่างเป็นกลางเลยในที่สุดจิตจะสอนธรรมะเราเขาจะสอนเลยว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาไม่ทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งได้นานๆเขาเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไหลเข้าไปเกาะเดี๋ยวเขาก็แยกออกมาเราเข้าไปจัดการอะไรไม่ได้จริงหรอกเรียนรู้ไปเรื่อยวันนึงใจยอมรับยอมรับความจริงแใจจะเป็นกลางใจเป็นกลางใจเลิกดิน้น สภาวะอะไรเกิดใะรก็เป็นกลางตรงนี้เป็นประตูของการบรรลุมัรคผลเป็นกลางก็ระปัญญามโมโหรุนแรงไหม ม, มันมต้องมีนะมันมีเต็มธรรมดาไม่ใช่ภูมิที่ร ะ, ะโทสะการปูคิดตอนนี้ตื่นไหมขณะจิตนี้ นะวตอนนี้ล่ะตอนนี้นะปล่อยตื่นขึ้นมาเต็มที่ไหมตอนนี้ยังไม่เต็มที่นะยังแกล้งทำอยู่รู้สึกไหมยังประคองไว้มันยังแข็งแข็งอยู่รู้สึกไหมจิตยังแข็งอยู่นะเรายังปลุงอยู่ให้รู้ทันมันนะความรู้ตัวแท้ๆเกิดเนี่ยใจจะโล่งเลยนะใจจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมา ถ้าเรารู้รู้อยู่นะแต่รู้แข็งแข็งนะมไม่ใช่รู้เป็นรู้ที่อย่างเจือที่โลภยังอยากรู้อยากรู้เลยไปจ้องไว้ไปประคองไว้ไปรักษาไว้ดูให้ทันนะดูไปดีแล้วล่ะสร็จมาอ้าวจูนว่าไงเออเห็นอะไรนะไม่เคยเห็ น, เ, เ, หนเออดีดี เ, เ, เออ ถูกใจอย่างนี้กลัวอะไรเงี้ยไม่เคยเต้นกลัวอะไรเงี้ยไม่เคยรู้ ก, รก่อนอเออดีแล้วดีแล้วเว ล, เวลาที่รู้สึกที่มาเองนี่รู้สึกง่ายกว่าีคิดอะง่ายสิหลวงพ่อถึงบอกว่าทำไม่ได้ัดช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะถ้าสติตัวแท้เกิดเนี่จจะตั้งมั่นตื่นขึ้นมาเลยนะสติเป็นอนัตตาเหมือนกันสติก็เป็นสิ่งที่ใครก็สั่งให้เกิดไม่ได้ นี่พวกเราทำปฏิบัติิดคิดว่าเราจะทำสติให้เกิดทำไม่ได้หรอกแต่สติถ้าสติมีเหตุสติถึงจะเกิดใ น, นเหตุของสติก็คือจิตมันเกิดไปจำสภาวะได้อย่างเช่นมันใจลอยแล้วจิตมันจำได้ว่าใจลอยสติก็เกิดขึ้นมานั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดเพราะเราไปทำมันเข้าบางคนกลัวไม่มีสตินะั้นไปเดินกระแทกกระแทกกระแทกนะหัวเขาก็พังบางคนนั่งเค็ง พื้นปกปกปกขทําอะไรจะให้มีสติไม่ให้เผลอบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นหรอกพุทเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายเกิดจะเหตุเราอยากมีสติเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเหตุของสติคืออะไรพระพิธรรมสอนชัดๆเลยเหตุของสติคือการที่จิตนี้จำสภาวะธรรมได้แม่นยําทําไมจิตถึงจําสภาวะธรรมได้แม่นยำเพราะจิตเห็นเนืองเนืองเห็นบ่อยๆแล้วถึงจะจําแม่น นะการตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตเนืองๆอะไรเนะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นเอนะงะฉะนั้นเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆเนะไม่ต้องสนใจหรอกว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่บันไดที่จิตมันจำสภาวะได้นะพอเผลอปุ๊บยสติเกิดละพอโลภพอโกรธพอลหลงหรือพอมีความหวานๆเกิดขึ้นในใจสติก็เกิดเองนะสติเกิดเองแล้ว ง, ง่ายอ่ง่ายเพราะว่าไม่ได้ทาอะไร ทันทีที่สติเกิดสติก็ทําหน้าที่ของสติทันทีเลยหน้าที่ของสติคืออารักขาคุ้มครองจิตทันทีที่สติเกิดเนี่ยกุศลจะดับทันทีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเเราไม่ได้ทํานะไม่มีใครทําไดนะ้ก่อนหลวงพ่อก็อคักเพียนนะทําไงเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานไวๆ ว, นะวันนึงภาวนาอยู่ภาวนาอยู่ทางหนองคายนะ ภานาหรือจิตมันก็สอนขึ้นมาไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอก<ม>สอนอย่างนี้นะสั่งแล้วงงๆนะไม่มีใครทําได้ถ้าทาได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่นัสตาแล้วที่เราก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นจนใจมันยอมรับความจริงมรรคผลนิพพานเข า, เขาเกิดของเขาเองไม่ใช่เราไปทําให้เกิดขึ้นมากระทั่งสติเรายังทําให้เกิดไม่ได้เลยมรรคผลยิ่งทําให้เกิดไม่ได้ย่ญ่ แค่สติธรรมดานี่ทำให้เกิดไม่ได้แต่ต้องทำเตุของเขาหัดรู้เรื่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเวลารู้กายก็รู้เหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นได้ตัวนี้มันนั่งรู้จิตใจก็เหมือนเห็นจิตใจคนอื่นเห็นเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภมันกลุมันหล ง, ลงอะไรอย่างเงี้ยใจเราเป็นคนดูดเูเรื่อยๆวันหนึ่งสติตัวแท้มันเกิดผางขึ้นมานจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโน ม, มัติ สัมมาสติเกิดเมื่อไหร่สัมมาสมาธิก็เกิดเมื่อนั้นนะถามว่าสมาธิเกิดจากอะไรสมาธิเกิดจากความสุขเนี่ยพวกเราก็ชอบกลับหัวกับหางนะคิดว่ามีสมาธิแล้วมีความสุขแพอสมาธิประณีตขึ้นไปเป็นอุเบกขาไม่เป็นสุขหรอกแต่ว่าความสุขนั้นนะทำให้เกิดสมาธิเนี่ยอภิธรรมก็สอนนะเนี่ยพวกเราบางทีสนใจแต่ปฏิบัติเราวทิ้งตำราก็ไม่ดีเหมือนกัน มันจะมวยวัดเป็ดปาเป็ดปากแต่ลวงพ่อหัดมาแบบมวยวัดนะพอหัดไปแล้วค่อยมาดูตำราที่หลังอ้าวมันตรงกันเะยรเออคนโบราณเขาก็เก่งนะเาา้ารักษาพระปริัติไว้ได้ขอข เ, อเอนเนนจจอนั่นเป็นแค่แค่คอยสอนมันคอยสอนอ๋ออ๋อนู้นุ่มไปก่อน ย่าสอนจนนี้ใส่เสียนะ <Yeah. S 1> เจออะไรก็สอนไปเรื่อยอย่างี้ใช้ไม่ได้นะ uh huh. ให้สติมันเกิดเองจําไว้เลยนะต้องง่ายง่ายหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจํานวนมากเลยทุกครีกับครูบาอาจารย์จำนวนมากแต่และองค์พูดเหมือนๆกันง่ายนะง่ายที่สุดเวลาเราลงมือทําบวชพรรษาแรกๆโอ้ยทําดูเดือนมากเลย รู้มันยากเย็นแสนเข็นนึกถึงคำครูบาอาจารย์ว่มันง่ายนะมันง่ายนะก็ต้องหยุดความปรุงแต่งของเราสักหยุดสัจริงๆง่ายกว่าที่คิดง่ายจนยากง่ายเพราะยากเพราะว่านึกไม่ถึงว่ามันจะง่ายขนาด น, นี้นะเมื่ก่อนก็มีอาจารย์สอนกรรมฐานกนหนึ่งมาอันนี้ก็ลูกผิดลูกหาเยอะแยะเหมือนกันมาบอกว่าเมื่อก่อนมาฟังหลวงพ่อนะไม่เชื่อหรอก ว่าไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำนะถ้าจิตแอบไปทำอะไรให้รู้ทันจะบอกแกทำแทบตายมันยังไม่เห็นสภาวะเลยนี่วันหนึ่งแกเดินลงบันไดมาแกไม่ได้ทำอะไรแกเดินลงบันไดมาสติมันเกิดะระลึกได้มันเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวลงบันไดใจเป็นคนรู้นะจิตใจมันถอดถอนออกมามันเป็นคนรู้คนดูเลยเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความเป็นตัวตนตรงไหนก็ไม่มี แกเลยบอกดีนี้ที่ยอมนะแกรู้แล้วว่าจริงๆทำเอาไม่ได้หรอกคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสติเขาเกิดเองใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยเหมือนมันเป็นคนดูอยู่ห่างๆเลยสมาสมาที่ก็ไม่ใช่นั่งเพ่งสมาสมาที่คือความตั้งมั่นของจิตที่มันไม่หลงไม่ไหลาตามกิเลสตามอารมณ์ไปสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ห่างๆจะเห็นทันทีเลยเกิดปัญญาสมาสมาที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยมันจะเห็นเลยรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานมามธรรมเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีไม่ต้องออนบอนให้เห็นไม่ต้องคิดไม่ต้องน้อมนำให้เชื่อจะต้องประจักษ์เข้าไปประจักษ์เข้าไปรู้จริงๆดีแล้วนะค่อยฝึกไปอ่ะสองคนเนี่ยยกก็ดีแล้วนะเออสองใช้ได้แล้ว ทำนิดหน่อยดูออกไหมพอมันเริ่มทำนะเหลือ น, นิดหน่อยดูไปดีขึ้นเยอะแล้วสมพงเอ้ทำไมเวลาสมพงเป็นเสื่อมมันเสื่อ ม, มหลายเดือ น, น <c oughs> อะไรน ะ, นะอ๋อไม่เด็กๆ <c oughs> มันมันช่วงสองสามเดือนสี่เดือนอะไรก่อนนั้นนะมันเสื่อมจริงจังมาก เวลาจิตมันเสื่อมอย่าตกใจจิตมันเสื่อมก็คิดว่ามันสอนธรรมะเรามันจเจริญได้แล้วมันก็เสื่อมโยอย่าเที่ยวหาเข้าไปไม่หานะจิตเข้าไปสแสวงหารู้ทันมันรู้เรื่อยๆ ร, รู้สบายๆไปนะใครอีกเนาะเอาท่านพวีชัยท่านพรวิชัยดีทีนั่นดีใครรู้ไปเรื่อยนะ ท่านนี่แหละจะจหน้าได้อยู่เร <c oughs> เรียกอะไรก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> แต่ว่าจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรตรงที่มันเคลิ้มไปเนี่ยเราจเจริญสติไม่ได้ แต่ตอนสักพักหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆมันถอยขึ้นมาความรู้สึกตัวมบางิดเด่นชัดขึ้นมาแล้วสดชื่นดีเราก็รู้ว่าจิตมันสดชื่นต่อมาพอเราเลิกปฏิบัติเรามาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยเราก็รู้ทันจิตของเราต่อไปจิตที่เคยสดชื่นตอนนั่งสมาธิมันหายไปแล้วพอตามมองเห็นคนนี้ใจมันชักโมโหเห็นคนนี้ชักจะชอบอะไรเงี้ยเราก็คอยรู้จิตของเราต่อไปตรงที่เรานั่งนั้นเราก็นั่งเป็นฐานเอาไว้เท่านั้นแหละ นั่งเพื่อจะคอยหัดสังเกตสภาวะของจิตเวลาเรานั่งจิตมันรวมลงไปนะเคลิมเคลิมลงไปสบายพอเขาถอยขึ้นมาเ้าสดชื่นขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าจิตมันสดชื่นพอเราเลิกนั่งแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณอย่างไงเราก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆถึงเวลาเราก็มานั่งใหม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้นะ เดินจงกรมจำเป็นถ้าเราไม่เป็นง่อยคาว่าเดินจงกรมนะแปลว่าอะไรเยจงกรมแปลว่าก้าวไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเดินนะถ้าเรามีสตินะเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราเดินกลับไปกลับมานะเราทำขึ้นขึ้นเพ่งขาไวน้นิ่งๆหรือเพ่งตัวเองทื่อๆไปนะไม่เรียกว่าเดินจงกรมหรอกเรียกเดินสเปสปะเดินทรมานกาย งั้นตัวสําคัญของการปฏิบัติก็คือมีสติหรือไม่มีสติถ้าทุกก้าวที่เดินเดินอย่างมีสติรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยนี่ทําไมพระต้องเดินกลับไปกลับมาแต่เดินเดิมพระก็ไม่ได้เดินจงกรมอะไรหรอกก็เดินบินทบาดเดินไปธุระอะไรตามปกตินี่แหละนี่ส่วนมากพระสมัยพุทธกาลยุคแรกๆท่านชอบนั่งสมาธิกันยังเก่งสมาธิกันเยอะนั่งนานท้องอื่น ถ้าท้องอื่นเนี่ยหมอชีวกก็เลยแนะนําทูลพระพุทธเจ้าบอกให้พระเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของพระจะกระโดดรดเต้นก็ไม่งามหมอชีว ก, กบอกให้เดินนี่เดินทําไม่เดินกลับไปกลับมานั่นจะเดินออกนอกวัดไปหมดฉันก็เลยต้องเดินกลับไปกลับมาวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี่พระไหนๆก็จะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วแก้ท้องอืดนะพระก็เลยจเจริญสติไปด้วย เดินด้วยความรู้สึกตัวเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้มันเดินใจเป็นคนดูไปด้ว่อยฉะั้นถามว่าเดินจงกรมจําเป็นไหมจำเป็นนะเช่นเราจะไปช้อปปิ้งต้อรู้สึกตัวไปไม่ว่าเดินจงกรมได้ได้ยิ่งดีมีประโยชน์คือมันจําเป็นสําหรับบางคนนะว่ามีประโยชน์สําหรับทุกคนมีประโยชน์ ได้แต่ว่าจริงๆนะมีที่อยู่สองสามเก้าก็เดินได้น ะ, ะสมมติว่าเดินตมาเดินในกุติตมาแคบนิดเดียวไม่กี่เก้าหรอกเดินได้อย่างเราเดินไปทางนี้ที่เราหันทางขวาเดินกลับมาทางนี้เราหันทางซ้ายก็มันแก้กันไม่เวียนถ้าที่แคบๆนะั้นเดินเป็นเลขแปดก็ได้เลขแปดฝรั่งอะ่ะมันจะกลับไปกับมาร์จพปิกของมันพอดีมันจะไม่เวียนหรอกอยู่ที่เราจะเดินไหม ถ้าเดินได้นะดีนะติดตั้งมั่นได้นานมีกําลังแล้วจเจริญสติง่ายถ้าอยู่ๆค่ำๆไปเริ่มไปนั่งนะมันจะเคลิมง่ายเคลิมง่ายนะไม่ค่อยได้อะไรได้แต่ความสุขความสงบตัวสำคัญคือต้องเอาสติไว้ก่อนรู้สึกตัวรู้ทันกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกตัวสำคัญหนูคนนี้ล่ะเคยมาแล้วใช่ไห เป็นไงส่งกันบ้านเออแล้วปวรแล้วทําไงอยากหายไหมเออถ้ามันอยากหายนะรีบรู้ทันเลยรู้ทันใจที่อยากหายนะใจจะได้เป็นกลางในที่สุดใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะครูอาจา์สอนเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิต มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันใจไปรู้อารมณ์ต่างๆเข้าอารมณ์ต่างๆทางใจเขาได้ทำมารมณ์ใจไปรู้ธทำมารมณเช่นความโกรธมันเกิดใจไปรู้เข้าความยินร้ายเกิดเช่นเราไม่ชอบมันเลยรู้ทันใจที่ไม่ชอบเนี่ยนะความไม่ชอบดับไปใจเป็นกลางใจเป็นกลางพวกความโกรธนั้นไปประเด็นออกไปเลยหนักๆเนี่ยเกิดจะจงใจ เริ่มจากโลภะก่อนอยากอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติจะเริ่มไปจ้องเอาไว้ไปบังคับไปควบคุมนะอย่างเราเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งหรือเราตอนนี้ตอนเด็ ก, ดกจําได้ไหมถ้าพ่อแม่บังคับเราเราก็อึดอัดใช่ไหมนะจิตเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งนะเราไปบังคับให้เขาอยู่นิ่งๆ น, นะเขาก็อึดอัดเหมือนกันเพราะฉั้นะถ้าอึดอัดขึ้นมาสแสดงว่าบังคับแล้วล่ะเราจัดการกับจิตของเรานะเหมือนเราเราดูแลเด็กคนหนึ่ง เวลาเราเลี้ยงเด็กเราไม่เอาโซ่มามัดห้ามเด็กเคลื่อนไหวไม่ใช่เราปล่อยให้เด็กเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะวิ่งบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้า ง, ง, างเด็กมันมีความสุขมันหัวเราะมันเสียใจมันร้องไห้มันโมโหงองแง่เราดูเหมือนดูเด็กอย่างเงี้ยจิตเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโยเยงองแ ง, ง, งเดี๋ยวโมโหนะดูเหมือนดูเด็กคนนึ่งพอเข้าใจไหมอย่างเงี้ย เราจะไม่เอาโซ่ไปมัดมันนะอ เ, นนเ อ, ะ อ, ะอะนะก่อนนอนอย่าลืมไปทะสวดมนต์น ะ, ะทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำนะอย่าละเลยข้อวัดถ้าทำแล้วมีประโยชน์ได้กำลังหัดใหม่ๆไม่ทำเลยนะใจว้าเวเยเดี๋ยวจะเผลอยาวเอาละเดี๋ยวเราพักก่อน